หนุ่มคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ขยันทำงานมากออกจากบ้านนี่เนี่ยเช้าตรู่เลยนะก่อนที่ลูกจะตื่นกาทำงานที่หลายๆที่โรงพยบาบาลนี่ก็มีทั้งรักษาผู้ป่วยทั้งสอนตอนนั้นไม่พอนะเปิดคลินิกด้วยั้นก่าจะกลับบ้านนี้ก็ดึกเลยนะเพราะคลินิกเนี่ยจะปิดก็สามทุ่มก็เป็นเช่นนี้มาอยู่นานทีเดียว จะมีวันหนึ่งคนป่วยที่คลินิกนี่น้อยปิดคลินิกเร็วเลยกลับมาถึงบ้านแต่หัวค่ำถึงบ้านเนี่ยเปิดประตูเข้าไปภรรยาก็เห็นก็ดีใจนะเรียกลูกสาวเนี่ยอายุประมาณสักสามขวบได้ให้รีบมาหาพ่อลูกสาวก็ทำตามแม่นะแม่บอกให้ ไปหาพ่อก็ไปหาแต่ว่าแทนที่จะไปที่หน้าบ้านกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ดูรูปพ่อที่แขวนไว้ที่ข้างฝาพ่ออะไรนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนะไม่เคยเห็นพ่อตัวเป็นๆ เ, เลยเห็นแต่รูปถ่ายของพ่อเวลาแม่จะพูดถึงพ่อก็เชื่อไปที่รูปถ่ายเนี่ย่นนเนี่ยพ่อนะ ดังนั้นเนี่ยพอแม่บอกว่าให้ลูกสาวรีบมาหาพ่อยลูกสาวก็เลยนึกว่าให้ไปดูหน้าพ่อในรูปถ่ายอันนี้แสดงว่าอะไรนะแสดงว่าลูกสาวเนี่ยคงไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยหรือไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเห็ น, นแต่รูปถ่ายดังนี้เพราะว่าพ่อนี่กลับบ้านนี่ก็ดึก ลูกสาวก็หลับแล้วไปทา ง, งานก็แต่เช้าลูกสาวยังไม่ทันตื่นลูกสาวก็เลยเห็นแต่พ่อทางรูปถ่ายพ่อแม่บอกว่าให้มาหาพ่อก็เลยนึกว่าให้ไปดูที่รูปถ่ายที่ติดไว้ข้างฝามีอีกรายหนึ่งนะเป็นอาจารย์ทำงานหนักมาก ้ ง, งานสอนแล้วก็งานาส่วนรวมนะเรียกว่างานรายงานหลวงนี้เรียกว่าทาเต็มที่ดังนั้นจึงกลับบ้านดึกและบางวันก็ไม่กลับบ้านเลยเพราะไป ม, มีสัมมนาที่ต่างจังหวัดไปพบปะชาวบ้านวันหนึ่งเนี่ยเสร็จกิจเร็วก็กลับบ้าน แทนที่จะกลับบ้านเด็กคราวนี้ก็กลับบ้านแต่หัวคำํำเปิดประตูก็เจอหน้าลูกสาวก็ประมาณรับสามสี่ห้าขวบนี่แหละอาจารย์ก็บอกว่าพ่อมาแล้วเด็กเนี่ยแทนที่จะคุยกับพ่อนะรีบวิ่งไปหาแม่บอกแม่ว่าแม่มีแขกชื่อพ่อมาหา นี่เหมือนกันนะไม่เคยเจอหน้าพ่อเป็นเป็นเลยพอเห็นพ่อมาที่ประตูบ้านก็นัวเป็นแขกเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วได้ความภาษาซื่อก็เลยคิดว่าแขคกคนนี้ชื่อพ่อรีบไปบอกแม่นะมีแขกชื่อพ่อมาหาอันนี้ก็เป็น ปรากฏการที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเฉพาะยุคนี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรือไม่เคยมีปรากฏการแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกก็อยู่ใกล้ชิด ก, กันพ่อก็ไม่ได้ทำงานที่นอกบ้านทำไรทำนาบางทีก็ชวนลูกไป กินข้าวพร้อมหน้าทั้งเช้าหรือเย็นแต่ยุคนี้นี่พ่อคนที่ก็แม่ด้วยไปทำงานข้างนอกและไม่ใช่แค่นั้นนะทำงานเรียกว่าหามรุ่งหามค่ำโดยเพราะคนที่ข ย, ยันคนที่เก่งนี่หรือประสบความสาเร็จนี่ก็จะอยู่กับที่ทำงานหรือว่าหมกมุ่นกับงานนี่ตลอดทั้งวัน ยาวถึงกลางคืนนะแล้วไม่ใช่แค่วันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ทำอย่างกรณีที่สองกรณีที่ว่าเนี่ยมันแสดงว่าไม่ใช่แค่เฉพาะวันธรรมดานะที่พ่อไม่ได้เห็นหน้าลูกหรือลูกไม่ได้เห็นหน้าพ่อเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยลูกก็เลยนึกว่าพ่อนี่ ก็คือคนในรูปถ่ายเท่านั้นแหละหรือไม่ฉช่นั้นเนี่ยก็คิดไปว่าเป็นแขกที่มาหาที่บ้านแต่แม่นี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีชวบผู้ชายนั่นที่ลูกไม่เจอไม่เจอหน้าอย่างพียงคนนึงเนี่ยก็ทำงานเยอะช่วยงานสามีแล้วก็ช่วยทำงานตัวเองด้วย ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่หัวค่ำมันนะกลับบ้านดึกๆนะสวิที่ก็ทำงานวันหนึ่งก็เสร็จทุระเร็วอยากเห็นหน้าลูกก็รีบกลับบ้านแต่หัวค่ำลูกมาเปิดประตูลู ก, กับวา่า้งหักขวบ พ อ, นนกกพอเห็นหน้าแม่ก็พอยหน้าแม่ก็รีบวิ่งไปหาพี่เลี้ยงบอกว่าคุณนายมาแล้วคุณนายมาแล้วแม่ได้ยินนี่อึ้งเลยนะแปลว่านี่เป็นสัญญาณเตือนว่าแม่ต้องอยู่กับบ้านอยู่กับลูกให้นายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กับพี่เลี้ยงจนคิดว่าพี่เลี้ยงเป็นแม่ดังนั้นพอพี่เลี้ยงนะเรียกแม่ของตัวว่าคุณนายเนี่ย ลูกสาวก็เลยเรียกแม่ว่าคุณนายตามพี่เลี้ยงไปด้วยไม่ได้คิดว่าเป็นแม่ตัวเองจริงๆนะเพราะแม่ตัวเองเข้าใจว่าคือพี่เลี้ยงก็ดีนะที่ยังรู้ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนให้ต้องมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ยกเว้นนะบางท่านนะพอรู้ หรือเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตและการทํางานอย่างหมอคนหนึ่งเคยทําคลินิกแล้วก็ลูกคนเป่วยก็เยอะเพราะเป็นหมอที่เก่งแต่ว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกเนพอเจอเหตุการณ์ทํานองนี้เนี่ยก็เลิกทําคลินิกเลยทํางานเฉพาะในโรงพยาบาล แล้วก็หมายชัยก็คือว่ารักษาผู้ป่วยแล้วก็สอนนักศึกษาคลินิกปิดเลยนะถึงแม้ว่าจะมีอะไรได้จากคลินิกมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่านี่ก็เป็นปัญหานะที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของคนสมัยนี้จนระิงพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้นะ ว่าควรมีเวลาให้กับลูกโดยเฉพาะขณะที่ลูกยังเล็กแต่ทำไมจึงทำไม่ได้อย่างที่คิดนะก็เพราะว่าภาระงานมันเยอะและอย่างนี้คือว่างานเนี่ยมันมันมีแรงกดดันเวลาทำงานเนี่ยนะมันก็มีแรงกดดันให้ต้องรีบทำให้เสร็จตามเวลา งานส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผัดผ่อนไม่ค่อยได้ถ้าทำไม่เสร็จทันเวลาก็เกิดปัญหาถ้าเป็นนักธุรกิจก็อาจจะได้ยอดขายไม่ตรงเป้าหรือว่าอาจจะถูกเจ้านายว่าในขณะที่การให้เวลากับลูกๆนี่หรือครอบครัวมันไม่มีเส้นตาย ไม่ทำวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าไม่ทำเดือนนี้ก็ไปให้เวลาลูกเดือนหน้าก็ได้ยังนก็มักจะผัดไปเรื่อยๆ ง, งานเนี่มันผัดผ่อนได้ไม่บ่อยนะแต่ว่าการให้เวลากับลูกนี่มันผัดผ่อนได้ผัดไปผัดมานี่ข้ามปีไปเลยอีกอย่างนึงคือว่าไอ้ความสำเร็จจากงานการเนี่ยบางทีมันก็ชวนให้คนหลงละเิง มีคนยกย่องได้รับชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องว่าทํายอดได้ตามเป้าได้เหรียญได้รางวัลถ้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเซลล์มันก็ทําให้เพลินแล้วก็ทุ่มเทกับ ง, งานเพราะว่าได้รางวัลเป็นเครื่องล่อหรือหล่อเลี้ยงใจบางทีก็ลืมไปเลยนะลืมบ้านลืมครอบครัว เนี่ยแค่ที่การดูแลหรือให้เวลากับลูกเนี่ยมันบางทีก็มีปัญหาจุกจิกแต่ถ้าว่าลองคิดสักหน่อยนะว่าการให้เวลาลูกเนี่ยมันสำคัญอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ให้เวลาวันนี้วันหน้าเราจะเสียเวลาเยอะเลยเสียเวลาเพราะว่าลูกเนี่ยมีปัญหา นะขายความอบอุ่ทะลเลาะเบกแวงกับพ่อแม่เกิดช่องว่างกลายเป็นเด็กดือ้อและมีนํำสมัมผัพฤติกรรมก็มีปัญหาติดเหล้าติดเกมติดยาคบเพื่อนไม่ดีเป็นผู้หญิงก็อาจจะท้องก่อนท้องในวัยเรียนหรือระยะหลังก็มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ย เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไปกับการแก้ปัญหาเรล่านี้มากกว่าตอนที่ควรจะให้เวลากับลูกครั้งที่ยังเด็กๆถ้าให้เวลากับลูกตอนที่ลูกยังเด็กนี่มันจะไม่เสียเวลามากมายเมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้ต้องขนขวาย เพรารมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลาให้กับลูกในยามที่ลูกมีปัญหาแต่ว่าเรต้องเสียอารมณ์มีความกลัดกุ้มหนัก อ, อกหนักใจเพราะปะัญหาของลูกมันหนักหนาเหลือเกินบางทีเสียเงินเสียทองอย่างนี้เน้นถ้าม อ, อางในงว่าให้เวลาลูกวันนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับลูกในวันหน้าอีกหลายสิบเท่าแล้วก็ไม่ต้องเสียอารมณ์ คิดแบบนี้เข้ามันก็ทำให้เกิดความใส่ใจนะไม่ทุ่มเทปไปกับงานการมากแม้ว่ามันจะชวนให้เพลินหรือว่าสนุกหรือมีไรายได้มากมายต้องอาศัยการตัดใจนะอย่างหมอคนที่ว่าเนี่ยเห็นความสำคัญของครอบครัวมากแม้คลินิกจะทำเงินให้ได้เยอะแต่ว่า สุดท้ายก็ปิดคลินิกดีกว่าเพราะว่าถึงไม่ทำคลินิกก็พออยู่พอกินอยู่แล้วเอาเวลาไปให้กับลูกสุดท้ายก็ไม่ต้องเสียเวลากับลูกเมื่อลูกโตขึ้นไม่ต้องเสียเวลาทะเลาะ ก, กันไม่ต้องเสียเวลาแก้ปัญหาลูกติดเกมลูกติดยาลูกคบเพื่อนไม่ดีมีความสุขไม่ต้องกลุมอกกุมใจนี่คือสิ่งที่คนสมัยนี้ต้องตัดสินใจนะต้องเลือกต้องมองให้ดี พอไม่งานเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมามากมาย